ขออนอบน้อมต่อคุณพระตรนตรัยขอกาศเพื่อนสตามิก ท, ท, ม ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีรละยาติธรรมทุกท่านทำไมเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันเนาะคำตอบเหล่านี้นะมีอยู่ในพุทธศาสนาหมดแล้วนะคือคำสั่งสอนของพูะเจ้าเนี่ยจะมีมากมายนะมีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมคขัน ครั้นี้คำสอนทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปลงมาได้เป็นอสองอย่างก็คือก็คือประการแรกก็คือใหเรารู้จักความทุกข์เนาะประการสุดท้ายคือให้เรามีหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นนะอันนี้คือหลักใหญ่ของพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติทมนี่แหละก็คื อ, อประการแรกนั้นเราเห็นทุกข์หรือยังเนาะ ถ้าเราเห็นทุกข์ในตรงนี้เราจึงจะมีความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะออกจะ ก, กองทุกข์นะแต่ถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์เราก็จะปฏิบัติธรรมด้วยความไม่ตั้งใจนะด้วยความคล้ายๆวัตถุบังคับนะหรือว่าทำด้วยความไม่เต็มใจนะอันนี้เราเพราะว่าเรายังไม่เห็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นประการแรกในพระเจ้าจึงส่งแสดง ทำทั้งหลายและเพื่อเราเห็นทุกข์สัก่อนน ะ, ะความทุกข์นั้นนะ่ยมันก็แบ่งเป็น2 อ, อย่างนะก็คือความทุกข์กายและทุกข์ใจเท่านั้นเองนะเพราะตัวเรามันก็มีแค่2 อ, อย่างไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะไปวันนี้ก็คือมีกายนะกายมันก็ทุกข์อย่างหนึ่งใจก็ทุกข์อย่างหนึ่งนะเนี่ยเราเจึงต้องกลับมารู้จักนะความทุกข์กายและทุกข์ใจนี้ให้ชัดเจน ความทุกข์กายนั้นเขาเรียกว่าเป็นความทุกขนะ์ในสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะก็คือเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะอย่างที่เมื่อกี้เราก็สวดไปแล้วชาติปีทุกขาความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีทุก ข, ขังความตายก็เป็นทุกข์นี่ก็ ค, คือความทุกข์ประจําสังขาร น, นะเมื่อมีเราร่างกายนี่แหละมันก็ต้องเป็นไปตามแบบนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม แล้วก็มีความทุกข์จรมาอย่ต่างหากนะนะตอนนีนะ้เราปวดเมื่อยไหมนะั่งมาครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นความทุกข์นะบางคนก็รู้สึกอากาศเย็นๆ็นอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะหรือบางคนก็รู้สึกง่วงนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะหรือบางคนก็รู้สึกมีความหิวเนาะอันนี้ก็เป็นความทุกข์อีกใช่ไหมนี่ก็คือความทุกข์ทุกนี้เราสามารถสังเกตได้ไหมว่ามันเป็นความทุกข์เนาะ นอกจากนั้นความทุกข์ในทางร่างกายนะก็มีมากมายนะความที่เรียกว่าเรามีการประสบเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆปวดหัวตัวร้อนนะปฏิบัติล้วมันรู้สึก ง, ง่วงรู้สึกเบื่อต่างๆมันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะการปฏิบัติธรรมในจริงๆเพื่อเราเห็นทุกข์นะเพราะว่าเราอยู่บ้านเราก็มีความสุขสบายนะเรามาปฏิบัติธรรมมันก็ต้องให้ให้เจอสภาพอย่างนี้นั่นแหละถ้าหากว่าสถานปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนกับบ้านเรา นึกจะทาอะไรก็ได้ทํานึกจะทานอะไรก็ได้ทานใช่ไหมจะดูหนังดูทีวีฟังเพลงก็ได้ทําในสิ่งเหล่านั้นหรือได้นอนในห้องแอร์มีน้ำอุ่นใช้มันมันจะมองเห็นทุกยากเนาะเพรา ะ, ะนั้นการปฏิบัติธรรมเขาเรียกมาฝึกตัวฝึกฝึกตนนะมันก็ต้องมาเจอสภาพที่เรียกว่าให้เราเห็นทุกได้ชัดเจนนะตรงนี้นจะได้เห็นความทุกข์ได้ชัดขึ้น แต่ความทุกข์จริงๆแล้วก็มีปรากฏอยู่แล้วล่ะใช่ไหเราต้องเห็นเขาให้ได้นะแล้วความทุกข์ในทางกายเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ได้ไหมมันมันแก้ไม่ได้นะมันเป็นแค่บรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะอย่างเราเราง่วงใช่ไหมเราก็ไปนอนนะแต่ไว้สักครู่มันก็ง่วงใหม่ใช่ไหมมันก็ไปนอนใหม่ครั้งหนึ่งนะมันก็เลยอย่างเงี้ยคือมันแก้จริงๆไม่ได้นะความหิวเหมือนกันเราไปทานอาหารมันก็อิ่ม แต่อีกสักสามสีชั่วโมงมันก็เริ่มหิวใหม่แล้วนะก็ไปทานใหม่นะก็เรียกว่ามันมันเป็นการแก้ทุกข์เราเราปวดเมื่อยนะเราก็นั่งมันปวดเมื่อยน ะ, ะเราก็ลุกขึ้นมาเดินเดินเดินเดินมันก็ปวดเมื่อยอีกก็กลับมานั่งน ะ, ะเสร็จแล้วนั่งมันก็มันก็ไม่ไหวนะมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปอย่างอื่นไปนอนบ้างเพราะเราต้องเปลี่ยนไปทั้งวันยืนเดินนั่งนอนนะก็เพื่อไปแก้ทุกข์นั่นเอง นะเนี่ยตรงนี้มันจะสังเกตว่าเราเราแก้มันไม่ได้จริงๆนะเราแค่ทําให้มันเบาบางลงหรือว่าเป็นบรรเทาทุกข์นะเพราะฉะนั้นร่างกายจริงๆแล้วเนี่ยมันมันแก้ทุกข์ไม่ได้หรอกมันเป็นแค่บรรเทา ท, ท, ทุกข์เท่านั้นเองนะมันจะให้ดับความทุกข์ในทางกายเนี่ยไม่ได้นะมันมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราจะต้องคอยแก้ไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะอากาศ ร, ร้อนหรือการหนาวอากาศต่างๆแล้วก็แก้ไขไปตามเหตุการณ์นั่นแหละใช่ไหม มันเป็นสิ่งที่ว่าเราไม่อาจจะจะทำให้ทุกมันหมดไปจากร่างกายเราไดนะ้ส่วนอีกอย่างหนึ่งคือความทุกข์ในทางจิตใจนะความทุกข์ในทางจิตใจนี่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันมันจริงๆแล้วมันร้ายแรงกว่าความทุกข์ทางกายนะเพราะว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยส่วนมากก็เป็นความทุกข์ในทางจิตใจนั่นแหละเข้ามาเราจะเห็นบางคนที่ร่างกายก็ดีแข็งแรงหรือว่าร่ํารวยก็ฆ่าตัวตายกันมากมายนะ หรื อ, อย่งบางที อ, อกหักจากแฟนไม่รักแฟนทิ้งก็ฆ่าตัวตายกันนะสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าออความทุกข์ในทางจิตใจนี่แหละมันร้นายแรงกว่าเนาะแต่ความทุกข์ในทางจิตใจนั้นนะถึงมันจะ้ายแรงกว่าแต่มันกลับนะสามารถที่จะทําให้หมดไปอย่างถาวรได้นะทำให้ดับได้จริงๆนะอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็มีแต่ความทุกข์ในทางร่างกายแต่ทางจิตใจท่านก็ไม่ทุกข์แล้วเนาะ เพราะนั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนั้นก็คือเรามาแก้วความทุกข์ในทางจิตใจของเรานั่นแหล ะ, ะทําให้จิตใจของเราเนี่ยความทุกข์น้อยลงนะจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปหวังอะไรมากแบบวันนั้นหรอกให้เราความทุกข์ในใจเราลดน้อยลงก็ใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงสักครั้งหนึ่งมันก็สามารถทําให้ความทุกข์หมดไปอย่างถาวร น, นะก็คือถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเรียกว่าพระนิพพานได้ นอนนี่ก็คือความสามารถที่พวกเราสามารถทํากันได้ทุกๆคนเพราะว่าพระอรหันต์ท่านก็มาจากบุคคลธรรมดานั่นแหละนะแต่ว่าท่านสามารถเดินได้ถูกทางเพราะฉะนั้นความทุกข์ในใจท่านก็ดับไปหมดไปนะอันนี้ก็คือหนทางที่เรียกว่าพระเจ้าได้ทรงมอบให้กับพวกเราว่าอะการแรกที่เรารู้จักความทุกข์อาการต่อมาก็คือให้หาหนทางไปบัติเพื่อความกุศทุกเหล่านั้นนะคราวนี้นะ การปฏิัติเพื่อความพ้นทุกข์เราจะทำอย่างไรนะมันก็มีอยู่ในปสติปัฏฐาน4นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรเกินกว่าร่างกายและจิตใจนี้เลยนะท่านให้กลับมารู้ตัวเราเป็นหลักมากกว่าใช่ไหมนะท่านก็บอกว่านะบทใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนให้เรารู้จักในสิ่งเหล่านั้นนะยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนนะตรงนี้เราสามารถ กลับมารู้ได้ไหมใช่ไหมอย่างตอนนี้เรานั่งเนี่ยเรารู้ไหมว่าเรานั่งนะพอถามเช่นนี้หลายๆคนบอกว่ารู้ว่านั่งนะแต่ถ้า ก, าก่อนที่จะถามเราก็ส่วนมากก็จะไม่รู้เรากเราจะหลงไปนะเราจะหลงไปแล้วไม่รู้ว่เรากำลังนั่งแต่เราหลงไปในความคิดต่างๆนะอันนี้มันก็เรียกว่าเราหลงไปแล้วนะหรือแม้แต่เราเดินนะเราเดินมากืบตลอดชีวิตนะแต่สัก 9.9% นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราเดินอยู่นะเรา ส่วนมากเดินไปก็จะหลงคิดไปในเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตเป็นประจำไม่ได้กลับมารู้เลยว่าเรากําลังทำอะไรอยู่อันนี้แนหะคือความหลงนะเพรา ะ, ะความหลงนี่มันมันมีถึง9 0้ในชีวิตเรานะถ้าเราไม่เคยที่จะกลับมารูเนี่ยมันมันจะมีความหลงมากนะแล้วความหลงนี่มันก็นําให้เราไหลเข้าไปตามกิเลสตัณหาต่างๆมากมาย นะอย่างเช่นตาเราเห็นรูปเนี่ยมันก็จะหลงเข้าไปในรูปนั้นนะเกิดความยินดีเกิดความพอใจโดยที่เรารู้ไม่เท่าทันนะบางทีสังเกต ด, ดูไหมถ้าเราดูทีวีดูละครก็ดีนะัเราจะหลงเข้าไปอยู่ในรูปนั้นนะอยู่ในเหมือนกับเราเป็นตัวแสดงนั่นเองนะจะหลงเข้าไปติดนะเขาเลยไปอินในลมเหล่านั้นมากมายนะมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมากมาย แต่ในขณนะนั้นเราไม่เคยกลับมารู้ตัวเราเองเลยว่าขณะนี้กำลังมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือมีความพอใจเกิดขึ้นเราจะไม่รู้สึกตัวเลยเนาะหูก็เหมือนกันเราได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่นะเสียงเพราะเราก็หลงเข้าไปในเสียงเหล่านั้นนะจนบางทีอยากจะได้ฟังบ่อยๆอยากได้ยินบ่อยๆนะหรือเสียงใดที่เราไม่ชอบนะเราก็ติดยึดในเสียงเหล่านั้นนะมีความไม่พอใจนะมีความอยากหลีกหนีนะ เป็นความปรุงแต่งไปในลมต่างๆมากมายนี่คือสภาวะที่เราไม่ไม่เคยสังเกตเลยว่าออขณะดที่เราได้ยินเสียงต่างๆเหล่านั้นเรารู้ไหมว่าขณะนี้กลังมีความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นเนาะอันนี้นี่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เราไม่ไม่เคยรับรู้ในชีวิ ต, วตของเราตั้งแต่เกิดมานะพระเจ้าให้กลับมารู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วนะ่ะง่ายๆนะ ยืนก็รู้ยืนเดินก็รู้เดินนั่งก็รู้นั่ ง, น, งนอนก็รู้นอนนี่ก็คือปฏิบัติธรรมที่เราสามารถที่จะกลับมาอยู่ในตรงนี้ได้ไหมนะต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงบอกว่าเหลวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนก้มเงยทรงจีวรสังคาติอุจจละปัสวะลิ้มดื่มกินเคี้ยวต่างๆเร า, าเนี้ยก็ให้มีความรู้สึกในขณะนั้น ให้รู้ขณะนั้นว่ากําลังทําอะไรอยู่เนาะอันนี้ก็คืออิริบทย่อยต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั่นแหละไม่ว่าจะทานอาหารกวาดบ้านถูพื้นแปรงฟันล้างหน้าซักผ้าต่างๆเราเนี่เราเรารู้ไหมขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะถ้าเราแปรงฟันเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ไหมว่าเราแปรงด้วยความเคยชินหรือความรู้สึกตัวนะ ส่วนใหญ่นี่จะแปลงฟันด้วยความเคยชินเป็นส่วนใหญ่นะแปลงฟันแต่ว่าไม่รู้ว่าขนาดนั้นกำลังแปลงฟันแต่มันเป็นการทําด้วยความเคยชินหรืออัตโนมัตินั่นเองอันนี้ก็เป็นความหลงนะความหลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ทั้งทั้งนี่มันก็ทําทุกวันยิ่งอะไรที่มันทําทุกวันทําบ่อยๆมันเป็นความเคยชินแทบทั้งนั้นนะมันไม่ได้เกิดความรู้สึกตัวความเคยชินนั่นแหละคือความหลงไปนะ ดังนั้นถ้าเราสังเกตได้แล้วจ ะ, จะรู้สึกว่าเราเนี่ยหลงหลงแทบทั้งวันอยู่แล้วแต่ตรงเนี่ยจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเราหลงนะมันจะน้อยมากใช่ไห <c oughs> เพราะนั้นการที่เราสามารถกลับมารู้เนี่ยละมันเป็นการแก้กวความหลงน ะ, ะรู้เมื่อเรารู้รู้น้อยมันก็หลงเยอะแต่เมื่อเรารู้มากมันก็จะหลงน้อยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน เพราะนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกวาอ่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะอพอเราเปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้บ่อยๆนะจิตมันก็จะเริ่มตื่นขึ้นมานะจากความคิดที่เรารู้ไม่ทันความคิดนะเราวันหนึ่งเราจริงๆเราคิดมากมายนะมีการประเมินว่าวันละประมาณห้าหมื่นครั้งนะแต่ถ้าเร า, าตั้งใจคิดเนี่ยมันสักกี่ครั้งกันนะตั้งใจคิดนี้นะมันมีมีจริงๆแล้ววันหนึ่งมีไม่เยอะหรอกนะตีสักวันหนึ่งสักร้อยครั้งนะ แต่แสดงว่าอีก4ี9ห0ครั้งนั่นแหละเราไม่ได้ตั้งใจคิดมันก็คือเป็นความหลงที่ว่าเขาคิดว่าเองนะแต่ความคิดน่ะมันมันที่มันหลงไปน่ะมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะเพระจิตมันใจไอ้สมองต่างๆมีหน้าที่คิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเขาคิดไปเนี่ยเรารู้รู้ไหมต่างหากใช่ไหมเราไปห้ามความคิดไม่ได้หรอกแต่เมื่อเขาคิดไปเนี่ยเรารู้ทันไหมว่าขณะนี้กำลังคิดอยู่นะตรงเนี้ยกลับมารู้ไหมอ่า ว่าขณะนี้กาลังเกิดอะไรขึ้นในกายและใจของเราพาระพุทธเจ้าจึงให้กลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี้ว่าขณะนี้กาลังเกิดอะไรขึ้นในใกายและในใจของเราตอนนี้เราลังทําอะไรอยู่เรารู้ไหมตอนนี้เราเกิดอะไรไมาในจิตใจเราเรารู้ทันไหมมีความคิดเรารู้ทันไหมมีความโกรธรู้ทันไหมมีความรักรู้ทันไหมมีความชังรู้ทันไหมเนี่ยท่านให้กลับมามารู้ในตรงนี้มากกว่าใช่ไหมไม่ต้อไปรู้เรื่องต่างๆภายนอก รู้เรื่องจั ก, กรวาลรู้เรื่องกาแล็กซีอันนั้นนั้นความจำเป็นมันน้อยมากใช่ไเพราะนั้นเมื่อเราศึกษาทั้งโลกแล้วมันไม่จบนะแต่ถ้ากลับมาศึกษากายและใจแล้วมันจะจบนะคำว่าจบก็คือจบจากความทุกข์นั่นแหละใช่ไมมันจึงต้องกลับมาศึกษาของจริงในตรงนี้นะเราจึงต้องกลับมาเรียนรู้ความจริงให้ได้ใช่ ครนี้นะเราก็คือให้เราอยู่กับสภาวะปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันนี่คือของจริงใช่ไหมตอนนี้เราเรานั่งเนี่ยเราต้องคิดไหมว่าเรากำลังนั่งใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดเพราะเรามันแค่รู้เฉยๆว่าเรานั่งนีมันก็คือตัวรู้นั่นเองเนาะหรือบางคนเนี่ยกำลังพลิกมืออยู่เราก็ไม่ไดงคิดว่ากําลังพลิกมือใช่ไหมแต่มันมันคือขนาดนี้เป็นความจริงที่เรากําลังพลิกมือเราก็แค่รู้มันเท่านั้นเองเนาะแต่ถ้าหากว่าเอ เมื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรใชเราต้องไปคิดถึงแล้วเมื่อวานทานกับอะไรเนา ะ, ะกับแกงอะไรกับผัดอะไรหรือว่าเย็นนี้เราจะทําอะไรเราต้องไปอาศัยความคิดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอดีตรหรือนาคตก็แล้วแต่มันจะต้องอาศัยความคิดทั้งนั้นแต่ถ้าเมื่อเราอยู่ปัจจุบันจริงๆนี่มันไม่ต้องใาศความคิดมันก็แค่เป็นภาวะที่มันรู้ใช่ไหม เรายกมือสร้างหว่ามันก็ไม่ต้องอาศัยความคิดว่าขณะนี้กาลังยกนะหรือขณะนี้กําลังเดินนะเราเดินก็คือมันก็คือการเดินนั่นเองนะมันก็เดินมันก็รู้ว่ามันเดินมันไม่ต้องคิดว่าขณะนี้กําลังเดินหรือเดินอย่างไรเดินเร็วเดินช้าอย่างไรนะมันเป็นภาวะหนึ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากการรู้สึกได้นะคือปฏิมาธรรมเนี่ยมันมันเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองมันไม่ต้องอาศัยความคิด นะนตรงนี sa ้เราจึงออกจากความคิดได้นะเพราะฉนั้นหลวงพเทียนจึงบอกว่าให้เราออกจากความคิดมาเป็นตัวรู้แทนนะแต่เราก็ต้องรู้นะว่าเราไม่ได้ห้ามความคิดนะหลวงม่เทียนบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดนะแล้วก็ไม่ห้ามความคิดด้วยใช่นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจึงเห็นว่าเมื่อเราสามารถที่จะรู้รู้แล้วเนี่ยเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราจึงรู้ได้ทัน เพราะเราไม่ได้เข้าไปในความคิดในขณะนั้นเราก็จะเห็นความคิดขึ้นมาเพราะนั่เมื่อเข้าคิดเราก็รู้นะแต่เราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดหลวงพ่เทียนจึบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้ใช่ไหมก็คือเมื่อเขาคิดน่ะสิบครั้งน่ะถ้าเรารู้สักเจ็ด8ดครั้งนี่เราก็เออถือว่าเราสามารถที่สังเกตความคิดได้แล้วนะแต่ถ้าเขาคิด10ครั้งเราจะรู้สักหนึ่งหรือสครั้งอาจจะน้อยไปนะหรือบางคนก็ไม่รู้ก็ทําจิตให้สงบซะเลยให้ไม่มีความคิดซะเลยนะมันก็เลยยิ่งไม่เห็นความคิดใหญ่ อันนั้นก็เป็นการบังคับจิตใจให้เขาไม่คิดไปอีกนะแต่การปฏิบัติโดยวิธีเจริญสตินี้เราไม่ได้ไปบังคับอะไรเลยเราเป็นแต่ว่าปล่อยให้ร่างกายจิตใจก็ทํางานไปตามปกติแล้วเราก็ตามรู้ไปเท่านั้นเองนะตามรู้กายรู้ใจง่ายๆนี่แหละตามรู้ในการเป็นปัจจุบันนะกำลังทําอะไรอยู่กําลังทานอาหารก็ตามรู้ไปรู้แบบเป็นธรรมชาติเป็นปัจจุบันไม่ต้องทำอะไรช้าๆผิดตติต่างๆนะรู้ไปตามปัจจุบัน เดินก็เดินตามปัจจุบันไม่ได้เดินอะไรผิดปกติเพราะว่าสิ่งเรานี่คือธรรมชาติของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นเราไม่เคยกลับมารู้แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เรากลับมาตามรู้ในสิ่งเหล่านี้ยนแะเป็นสภาวะที่ปัจจุบันจริงๆนี่ไม่ได้ไปบังคับอะไรเขาแต่ว่าให้เขาทําตามปกติจิตใจก็ไม่ได้แบบบังคับเขาต้องสงบนะหรือว่าต้องรู้นานๆรู้นานๆไม่ได้รู้อย่างอื่นรู้นานๆอันนี้ไปบังคับหมดเลยนะ บังคับให้่เขาตามรู้นะอันนี้เป็นบางกางรมันบังคับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้วิธีบังคับเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงเพราะเมื่อรู้ตามความเป็นจริงก็คือแล้วก็คือเขาหลงได้นะเขาก็หลงไปะเดี๋ยวเขาก็คิดไปละแล้วเราก็ตามรู้คิดไปก็ตามรู้นี่แหล ะ, ะการที่เราสามารถที่จะรู้ว่าเขากําลังคิดนั่นแหละอันนี้คือสตินี่มันก็ได้หนึ่งแต้มแล้วใช่ไหมเพราะหลวงม่อเทียนที่บอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้ใช่ไหม <c oughs> เมื่อเราสามารถสังเกตเห็นความคิดได้นะจิตมันกจ็จะตื่นขึ้นมาะจากเมื่อก่อนที่เราหลงไปคิดทั้งวันแล้วเราไม่รู้นะอันนั้นนะ่ะถ้าเรากลับมารู้ได้บ่อยๆจิตก็จะตื่นขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นการเขยา่าธาตุรู้นะธารู้เน่ยคนเรามีทุกคนเราก็เรียกวิญญาณธาตุน ะ, ะมันตัวนี้มันมันสามารถที่จะเขย่าให้เขาตื่นขึ้นมาได้ใช่ไหมก็โดยอาศัยการเคลื่อนไหวนะมาใ ห, ใ ห, ให้ให้จิตใจก็สังเกตการเคลื่อนไหว กายเคลื่อนไหวใจรับรู้น่ยจิตมันจะเริ่มรับรู้ในกายนะพอหลังจากนั้นเมื่อเขาสังเกตกายได้ชัดเจนต่อไปก็จะสังเกตจิตใจได้ชัดเจนเหมือนกันเพราะร่างกายจิตใจมันก็คือสภาวะที่มันอยู่ในสภาวะที่มันรวมๆกันนั่นเองนะมันคือมันสัมพันธ์กันหมดกายและใจมันสัมพันธ์กันหมดถ้าเราสังเกตกายได้มันก็สังเกตจิตใจได้เนาะแต่ในขั้นเริ่มต้นในหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็ให้มาสังเกตล่างกายเราก่อนอยู่ในสภาวะใดก็ให้รู้ตามแบบนั้น แล้วก็ให้รู้ต่อเนื่องไปลูกโซ่ด้วยรู้ต่อเนื่องไปลูกโซ่ก็คือให้เรารู้บ่อยๆนะไม่ใช่รู้ยาวๆบางคนก็จับตรงนี้ไม่ถูกก็เลยไปรู้ยาวๆเลยรู้ในทีเดียวครึ่งชั่วโมงไปเลยอันนั้นไม่ได้เรียกว่ารู้ความเป็นจริงอันนั้นก็เลยไปเพ่งเอาแต่คำว่ารู้ต่อเนื่องไปลูกโซ่ก็คือรู้แล้วก็หลงได้รู้แล้วก็หลงเมื่อเขาหลงก็กลับมานั่นแหละอันนี้นี่คือการเขย่าท่านรู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตความคิดได้บ่อยๆนะเขา จิตใจจะเริ่มโตขึ้นนะมันจะค่อยๆสังเกตได้บ่อยมันจะโตขึ้นอีกหน่อยเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่แต่เมื่อจิตใจเขาสามารถสังเกตได้แล้วต่อไปเขาก็จะสังเกตได้เองอนะ่พอมีความโกรธปั๊บเราจะรู้ทันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราสังเกตความคิดได้นะมันก็จะสังเกตความโกรธได้เหมือนกันนะคนที่เห็นความคิดเนี่ยต่อไปจะเห็นความโกรธนะเพราะว่าความโกรธก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะมันก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆเราเนี่ย เป็นสภาว่าอย่างหนึ่งที่มันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราก็ไม่ได้ไปให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นนะเมื่อเราไม่ให้ค่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็คือความทุกข์เราก็จะน้อยลงนะเพราะความทุกข์มันจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรนะความทุกข์นั่นแหละมันส่วนใหญ่เกิดจากความคิดของเราเองนะถ้าเราจับประเด็นให้ได้นะเราจะออกจากความทุกข์ได้เร็วมากนะมันจริงๆแล้วเกิดจากความคิดของเรานั่นแหละเป็นส่วนใหญ่นะเราสังเกตดูถ้าเรานอนหลับนะมันไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่ทุกข์ แต่เมื่อเราเราตื่นขึ้นมาแล้วตรงนี้มันจะมีความคิดต่างๆเข้ามากมายนะจากอดีตบ้างจากอนาคตบ้างปัจจุบันไม่ค่อยมีนะมันจะจากอดีตและอนาคตนี่แหละอดีตต่างๆเราจะดึงความคิดอดีตเข้ามาความผิดหวังความเสียใจความน้อยใจความโกรธต่างๆในอดีตมันจะเข้ามาน ะ, ะในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้น <c oughs> ก็มีความกังวลต่างๆเข้ามาแล้ว นี่แหละ <c oughs> คือความทุกข์มันเกิดจากความคิดนะตรงนี้เราสามารถสังเกตได้ไหมว่าความทุกข์มันเกิดจากความคิดนะถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้นะความทุกข์จะลดไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อตาบใดที่เรารู้ว่าขณะนี้กําลังคิดความคิดก็จะเริ่มเบาลงเริ่มหยุดไปนะอดีตนี่นผ่านมาต้องนานแล้วนะนะแต่มันดึงความคิดเข้ามาทําให้เร า, ามีความทุกข์ครั้งหนึ่งแต่เมื่อเรารู้ว่าขณะนี้กาลังกำลังคิดนะ มันก็จะเบาลงไปเลยมันจะเริ่มน้อยลงไปจะเริ่มดับอนาคตก็เหมือนกันนะมันยังมาไม่ถึงนะเรารู้ว่าขณะนี้มันเกิดความกังวลในใจของเราแล้วนะแค่เรารู้เท่านั้นมันจะเริ่มเบาเริ่มน้อยลงไปอ่าต่อหลัามันจะเริ่มที่จะดับไปนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมายานะไม่เป็นมายาของจิตไม่ใช่ของจริงส่วนของจริงคืออะไรคือปัจจุบันนี่แหละมันจึงกลับมารู้ปัจจุบันนี้นะ พอรู้ไปบันนี่ปับ๊บอนาคตอดีตจะดับไปทันทีเลยนะมันก็เราเรานั่งอยู่ใช่ไหมอ่าบนอาสนะเราเนี่ยคนจะมานั่งที่เราไม่ได้ใช่ไหมแต่เมื่อไรที่เขามานั่งทับเราเราจะรู้แล้ว เ, เ, เราก็จะผลักเขาไปได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่ว่าอดีตหรืออนาคตเข้ามาเราจะรู้ทันทันทีนะอ่าพอรู้ทันเขาก็จะออกไปออกไปโดยที่เราไม่ไปผลักใส่เขาเลยแค่เรารู้เฉยๆเขาออกไปแล้วออกไปแล้วเนี่ย เพราะนั้นถ้าเราสามารถสังเกตความคิดนี่ได้นะความทุกข์ก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน บ, บ่อยๆนะกลับมาอยู่บันบันบ่อยๆแล้วเราสังเกตสภาวะอย่างหนึ่งว่าความทุกข์มันจรงิงๆแล้วมันเกิดจากอนิจจังทุกขังนันตา น, นั่นเองนะมันมีด้วความเปลี่ยนแปลงทั้งวันใช่ไหมเราไปวัดทำนะวันนี้มันมันดีนะเราก็ชอบใจอพอวันพรุ่งนี้ไม่ดีเราก็มีความทุกข์นะอันนี้คือความจรงิง นะว่ามันเป็นความไม่เที่ยงนะแล้วเราไปยึดทําไมว่าเออวันนี้ดีนะพรุ่งนี้ไม่ดีนะจริงๆแล้วมันไม่มีวันไหนดีหรือไม่ดีเพราะมันมีแต่ความไม่เที่ยงเท่านั้นเองนะเขาแสดงพระใจรักเราเห็นดังหากว่าเราบังคับเข้าไม่ได้นะใจเขาดีทุกวันไม่ได้หรอกเข้าใจไอ่านะถ้าเราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็มีความทุกข์แล้วนะอย่างที่ว่าเออ <s ad ang> การที่เราอ่าประสบกับสิ่งที่รักนะเราก็มีความสุข นะแต่เมื่อเราพัดผ้าจากสิ่งที่รักเราก็มีความทุกขนะ์อันนี้คือความจริงนะเพราะเราไปยึดถือว่าสิ่งไหนอะเรารักเราอยากได้พบสิ่งนั้นสิ่งไหนไม่ไม่อยากไม่รักเราก็ไม่อยากพบอันนี้นะมันก็คือความอยากคือตัณหาของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะมาปฏิบัติให้ได้ผลจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นความทุกข์แล้วเพราะเรามีความอยากได้ใช่ไหมมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นแต่เราไปบัตรไปไม่ได้หวังอะไรนะ แต่กลับมาเห็นความจริงได้ไม่ว่าเราบังคับเขาไม่ได้นะอันนี้คือความจริงที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองนะถ้าเมื่อปฏิบัติรรมแล้วเราเห็นว่าเอ <t> เอเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาจึงแสดงความจริงให้เราเห็นบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเป็นความทุกข์เรากลับมีปัญญาในการเห็นความจริงว่านี่แหละคือความจริงที่เราบังคับเขาไม่ได้เขาจึงมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดานะมีความเป็นทุกข์เป็นธรรมดานะ แล้วเมื่อเราบังคับเขาไม่ได้เขาจริงล่ะเขาคือคือไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะแต่ถ้าเราบังคับเขาได้ให้เขาดีทุกๆวันนั่งสมาธิแล้วต้องสงบทุกครั้งนะเจร ER ิญสติแล้วต้องดีทุกครั้งนะอันนี้นั่นแหละมันจะกลายเป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเราว่าเราดีเราเก่งเราวิเศษนะเมื่อความเป็นตัวเป็นตนตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นในตัวเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรกระทบตัวเราไม่ว่าใครจะมานินทามาด่าว่า มาอะไรสักอย่างเราจะมีความโกรธมากขึ้นนะแต่เมื่อความเป็นตัวเป็นตนเราลดน้อยลงไปนะใครจะมาด่ามาว่ามานินทานเราก็สามารถผ่านไปได้อย่างรวดเร็วนะเพราะงะั้นการปฏิบัติทั้งหมดก็คือกลับมาเห็นมัตตรักนั่นเองนะว่าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้หลอกสิ่งต่างๆมีแต่ว่ามาแล้วก็ไปความโกรธก็ไม่เชิงเราน ะ, ะความโกรธมาแล้วก็ไปนะถ้าความโกรธเป็นเราก็ต้องอยู่กับเราตลอดการ หรือความรักก็เหมือนกันนะมันเป็นสิ่งทีด่ดีอยากหลีจู่นานๆก็อยู่ไม่ได้เขาก็ไปเหมือนกันนะเพราะฉะการเบิดาทำเพื่อให้กลับมาเห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองบ้าเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงมีแต่ <c oughs> ว่าไม่เที่ยงไม่แต่ความทุกขนะ์สภาวะเราเนี่ยมันเป็นสภาวะแห่งความเป็นจริงอของอของโลกหรือของการบัติธรรมถ้าเราสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจิตจะเกิดความเข้าใจในตัวในตนนี้ นะว่าเรายึดถืออะไรต่างๆไม่ได้แล้วเราก็จะเกิดการปล่อยการวางการมียึดติดนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราจะมีความทุกข์จากการปฏิบัติธรรมนะเพราะมันจะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ความเบื่อความง่วงนะมีภาวะธรรมต่างๆที่เราไม่คุ้นเคยแล้วมันจะทําให้เราเกิดความทุกข์มากขึ้นแต่เรากลับมาเห็นสิ่งเหลา่านี้บ่อยๆว่าเนี่ยมันเป็นภาวะอย่างหนึ่งที่มันมาแล้วก็ไปเราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเรากลับมาเห็นความจริงตรงนี้นะในความไม่เที่ยงนี่แหละ จิตจเริ่มค่อยๆเข้าใจในจิตใจและร่างกายได้มากขึ้นหลังนั้นจิตจะเกิดการปล่อยการวางการมิติดนะเพราะฉะนั้นการบัติธรรมถ้าเราเข้าใจแล้วมันไม่ได้มาแบบเพื่อให้เกิดความทุกข์มากขึ้นหรือว่าเกิดความเบื่อหน่ายแต่ให้กลับมาเห็นความจริงอของตัวเราและร่างกายนี่แหละว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะจิตใจมันคิดทั้งวันอยู่แล้วน ะ, ะเราไม่ต้องไปห้ามเขาหรอกเรากลับมารู้ได้บ่อยๆเท่านั้นเองนะ เพราะนั้นในในขั้นเริ่มต้นก็คือเรากลับมาลูกกายให้ชัดเจนก่อนนะยืนเดินนั่งนอนนะีตรงนี้รู้ไหมทำ่มดื่มกินพูดคิดรู้ไหมนะเราจึงมีหลักในการที่เรียกว่าให้เราปฏิบัติให้มันต่อเนื่องกันนะเพราะการต่อเนื่องนี่เราจะได้เห็นจริ ง, รงๆว่าเราบังคับเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมคำว่าต่อเนื่องนี้ก็คือกลับมาลูกบ่อยๆนั่นเองนะไม่ใช่ว่าต้องไปรู้ยาวๆ แต่การมาต่อเนื่องนี่มันก็เปรียบเสมือนกับว่าการสีไฟอย่างหนึ่งนะสีไฟเนี่ยถ้าเราสีแล้วก็หยุดมันก็ไม่เกิดไฟเพราะฉะนั้นถ้าเราสีไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดไฟเกิดขึ้นการสีไฟนั้นก็คือกลับมาลู้บ่อยๆในตัวเรานะขณะนี้กําลังทําอะไรกลับมารุ้ยบ่อยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะหลุดไปจากอะไรจากคําพูดของเรานั่นเองนะถ้าใครที่พูดพูด ไม่ต้องพูดบ่อยเราแค่พูดเป็นบางครั้งมันก็จะหลุดไปได้เป็นบางครั้งเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะไม่พูดนะมันก็จะกลับมาสังเกตตัวเราไ ด, ได้ง่ายขึ้นนะเพราะบางทีเราจะมีหลายๆอย่างอย่างเช่นคําถามนะถ้าเราถามปุ๊บเราจะไม่เห็นว่าเราสงสัยนะแต่ถ้าเราถามไม่ได้เพราะเราไม่พูดเราจะเห็นนะความอยากถามเกิดขึ้นในใจเราเพราะนั้นเนะมื่อก่อนนั้นเราจะเป็นคนพูดนะอาจจะพูดเก่ง แต่เมื่อเราไม่พูดปุ๊บเราเห็นว่าเราอยากจะพูดนะก็คือเห็นในขนาดปัจจุบันว่าเราอยากจะพูดนั่นแหละแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นตรงนี้เลยเพราะเราอยากพูดเราก็พูดไปเลยเพราะฉะนั้นการที่ไม่พูดเนี่ยมันจะกลับมาเห็นจิตใจที่มันทํางานได้ในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั <asking> ้นการที่เรากลับมารู้ในความจริงปัจจุบันนี่แหละจะเห็นว่ากายและใจมันสามารถทํางานได้เองนะเราไม่ได้มีความอยากจะคิดเลยแต่มันก็คิดได้เองนะนี่แหละแสดงว่าเราบังคับเข้าไม่ได้หรอกจิตใจก็ทํางานมันก็เองอยู่แล้ว แม้แต่ร่างกายเราจริงๆเขาก็ทํางานของเขาเองนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะเราจะไม่รู้หรอกว่าเขาทางานเองนะคือสมองเขาก็คิดเขาเองนะหัวใจก็ทํางานเองกระเพาะอาหารก็ทํางานเองร่างกายเลือดต่างๆเขาทํางานเองทั้งหมดแม้แต่จริงๆแล้วเขาแก่เขาก็แก่เขาเองนะผมงอตาฟางหูตึงเขาทางานเองหมดเลยะตรงนี้ก็ต้องดูว่าร่างกายก็เป็นอย่างไรนะ ถ้าเราเข้าใจร่างกายจิตใจแล้วเราจะเห็นว่าเขาทํางานเองไม่ให้ตัวไม่ให้ตนปุ๊บเนี่ยมันจะวางเป็นระดับนึงเลยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนั้นเราจะาโอ้ร่างกายเราบังคับเขาได้นะให้เขาเดินให้เขายืนเขาเดินนั่งให้เขานอนเราบังคับเขาได้ใช่ไหมตรง น, นี้มันมันกายเป็นตัวเราขึ้นมานะมันกลายว่าตัวเราเราบังคับเขาได้นะหรือความคิดต่างๆเราบังคับเขาได้ให้เขาไปมาตามที่เราต้องการทุกอย่างให้เขาไม่โกรธก็ได้ นะโกรธแล้วบังคับเขาไม่โกรธก็ได้ <c oughs> หรือว่าเราเราชอบใจให้อยู่กับเรานานๆก็ไดนะ้มันก็กลายเป็นตัวตนของเราขึ้นมาอีกว่าเราบังคับเขาได้มันออกจากตัวตนไม่ได้เลยนะมันมันกลายเป็นว่าเราไปยึดติดยึดมั่นในตัวตน <c oughs> เพรา ะ, ะนั้นการที่เรายิ่งมาเห็นความจริงได้บ่อยๆว่าเราบังคับเขาไม่ได้ <c oughs> จิตใจก็ทำงานเองร่างกายทำงานเองบ่อยๆนั่นแหละเขาเมื่อเห็นเช่นนี้บ่อยๆเราก็จึง เข้าใจแล้วว่าเขาไม่ตัวไม่ตนของเราจากการที่เข้าใจนะความเข้าใจเขาเรียกว่าเป็นสภาวะหนึ่งของจินตมัยปัญญาก็คือเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นมาปั๊บมันจะเริ่มปล่อยเริ่มปล่อยความยึดติดแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่เข้าใจในตรงนี้ไม่เห็นมปไตยรักมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะมันมันจะไม่เข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของมปไตยรักว่าไม่ตัวไม่ตนมันจะยังยึดยังเก่า มันยัไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นนะเพราะงั้นการที่เปลี่ยนแปลงก็คือกลับมาเห็นความจริงบ่อยๆนี่แหละว่าทุกอย่างไม่ที่ยังเป็นทุกาาข์เป็นนักตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ตัวไม่ตนแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้หลังนั้นความทุกข์เราก็จะค่อยๆเบาลงไปเองนะเพราะามันจะเริ่มคลายออกเริ่มที่จะไม่ยึดติดในสภาวธรรมต่างๆแล้วการที่เขาไม่ยึดติดเขาคลายออกนะั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าเป็นนิโรธนะนิโรธก็คือสภาวะหนึ่งที่เขาเกิดการคลายจากตัณหา อย่างที่เมื่อกี้ว่าแล้วเมื่อเราอยากได้อะไรปัญหาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเราก็จะมีความทุกข์แต่เมื่อเราเข้าใจแล้วนะเราจะรู้ว่าเราไม่อยากได้อะไรเลยนะเพราะการอยากได้อะไรก็แล้วแต่มันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแต่เมื่อจิตใจมันเริ่มคลายจากความยึดติดในร่างกายจิตใจนี้แล้วว่าไม่ไม่ของเราแล้วความอยากได้มันจะน้อยลงไปเยอะเลยนะมันจะน้อยลงไปเพราะว่ามันไม่ต้องมาสนองตันหาเรามันไม่ใช่เราแล้วจะมาสนองอะไรแต่เมื่อไม่ตัวเรามันจะต้องมาสนองเยอะแยะนะ อยากให้เราดีเราเด่นเราวิเศษเราสิ่งต่างมันตัวเราทั้งนั้นแต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่เราแล้วการสนอมยจะลดลงไปเยอะอยากจะได้อะไรดีๆมาสนองตัวเรามันจะเริ่มลดลงลดลงโดยเราไม่รู้ตัวและนั่นแหละคือขนทางแห่งการออกจากความทุกข์อย่างแท้จริงนะเพราะในสุดทั้งหมดป็นบัติธรรมเพื่อเห็นมาตารักเรื่องเมื่อเห็นมาตารักแล้วจิตเขาก็จะเกิดการปล่อยการวางการม่ยึดติอันเป็นขนทางความทุกข์ นะพมันจะเข้ามาสู่นะนิโรธที่บอกว่าโยตัศยโยตัศายวตันหายาเสสวิลาคะนิโรโทจาโคปนิสักโคมุตินารโยก็คือจิตนะเป็นการที่เรียกว่าคลายออกจากตันหาทําให้ตันหาไม่มีที่อาศัยนะเป็นการสลดัดคืนของตันหาแล้วก็ทําให้ตันหานั้นหมดไปก็คือนิโรธนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจแล้วตันหาจะค่อยๆลดลงลดลงความอยากต่างๆมันจะลดลงไปหมด เนะมื่อมันหมดไปน้อยลงไปความทุกข์ก็จะลดลงไปตามไปด้วยนะตราบใดที่เรายังมีตัณหาอยู่เยอะความทุกข์ก็มีเยอะแต่เมื่อตัณหามีน้อยมีลดลงไปเรื่อยๆความทุกข์ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัณหานั่นแหละคือสมุทยัยคือสาเหตุของความทุกข์เนาะถ้าเราสังเกตนห็ได้มันจะเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ว่าเราเห็นอริยสัจ4ี่ไปเลยนะอริยสัจสีนี่คือความจริงนะที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะทุกสมุทัยนีโลภมักนะ สี่อย่างนี้ถ้าเราเห็นแล้วเราออกจากความทุกข์ได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่เข้าใจในตรงนี้เราก็ไม่เห็นออกจากความทุกข์ไม่ได้เนาะคราวนี้เร IS ือริยสัจสีไม่ได้เป็นของยากไกลนะเราก็ค่อยๆศึกษาไปก็จะเข้าใจสิ่งที่เป็นความเป็นจริงในตรงนี้มันไม่ได้ออกจากไหนจากกายและใจ เ, เราเท่านั้นเองนะแค่เราสังเกตกายและใจตามความเป็นจริง rushing, เราก็จะเห็นอริยสัจสีก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นและความพ้นทุกข์ก็จะตามมานะ ตรงนี้ไม่ได้อยู่ห่างไกลแต่อยู่ต่อหน้าเรานั่นเองนะต่อหน้าเราก็คือความจริงนี่แหละปัจจุบันธรรมเนี่ยเราสามารถสังเกตตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเมื่อเราสังเกตปไปบัณฑธรรมแล้วเราจะเห็นความจริงต่างๆได้ทุกๆอย่างมันเกิดจากบัณนิธรรมนั้นเท่านั้นเองนะผู้ใดที่สามารถที่จะเห็นเป็นบัณธรรมได้จริงๆผู้นั้นความทุกข์ก็จะแตกต้องในใจไม่ได้อีกเนาะเรากลับมาอยู่บัณฑ์ให้ได้ไหมขณะ น, นี้นะ เมื่อเมื่ออยู่ใบบันแล้วอดีตนาคตเราจะสังเกตได้เองแล้วเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นแค่มายาเท่านั้นไม่ตัวไม่ตนและความทุกข์ก็จะน้อยลงแล้วก็จะดับไปนะเพราะฉะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระนรไทยน้อนมนำทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้ทุกข์ไดโดยเลยพานทุท่านเถิด